ศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอใจจะอาจจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั่นออกเป็นสองประเภทก่อน ธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้น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 หมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้ว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 อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีลห้ารักษากรรมบท10สิบเมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดี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 โดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั่นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิต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 เพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริรบรูรณ์แล้วตั้งใจทํำสมาธิบําเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีลแปดศีลสิบเท่านั้นเมื่อมีศีลห้ามีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรม ความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทาจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอย่าว่าแต่เพียงสองรอยี่สิบเจ็ดข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้ว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 เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทําลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทําให้มันมีเหตุมีผลพิจรารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อาจารย์ขอให้คติเอาไว้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่า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 เราะวันนี้มาฟังเทศที่วัดนี้หลวงพ่อวัดปา่าทาอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศวัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้าหลวงพ่อวัดปากน้าอาจจะสอนให้สัมมา阿拉หังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอบทาไมพระสอนไม่เหมือนกัน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 แล้วให้มารวมอยู่กับคำวรกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอ า, าจารยเจได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมาฐานมาในเทศที่วัดเบนจมามบอพิศก็ได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้ว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 จิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกาหนดรู้ลมหายใจเสียนึกคุโทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายเนิก์่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจจตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจจตจะสว่างไม่ต้องนึก หน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ในใจนึกเบาเบอย่าให้มีอาการขมจิตอย่าให้มีอาการเก่ง็งกล้ามเนื้อต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายเนกถึงอารมณ์พุโทโธให้ายสบา ย, บายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นนกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุโทโธเอาพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุโทโธ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 อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อเจตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนนี่ใ น, ในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิมคล้มๆเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจ เกิดเอจใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเพิ่มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมา คำบริกรรมภาวนาพุโทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุโทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อยากเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตสงบปุ๊บลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาผูหายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้